หรือมองคลสำคัญก็คือฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เมื่อกี้หลวงพ่ออยู่ห้องข้างๆได้ยินนะมีท่านเ้าเรียกอะไรอ่ะจะเรียกมรนายกกะคงไม่ใช่หรอหัวศกนึกอะ ไ, ไบอกว่าพวกเราต้องตั้งเป้าหมายนะเราต้องได้ธรรมะในชีวิตนี้เราอย่าไปวาดภาพว่ามรลนิพพานเนี่ยเป็นของที่ไกลเกินตัวมรลนิพพานไม่ไกลนะ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 ยืมมานานจนสำคัญผิดว่าเป็นของเราเองวันหนึ่งเป็นพระโสดาบันรู้แล้วว่าายนี้ใจนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราไม่มีเราหรอกก็จะคล้ายๆคนขี้งก์รู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่มันดีนะเอาไว้ก่อนเพราะฉั้นพระโสดาบันนี้ยังมีอารมณ์ขี้งกอยู่ยังไม่ปล่อยวางกายวางใจจริงนะต้องมาเรียนรู้กายรู้ใจให้หนักเข้าอีกดูไปเรื่อยวันหนึ่งเกิดตัญญาขึ้นมาแล้วก็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 นะหมดภาระที่จะต้องแบกหามนั้นจะไปวาดภาพพระลหันเหมือนคนพิกลพิการนะต้องซึมเคื่องเซื่องซึมซึมทำอะไรก็ไม่ได้นะกระดูกกระดิกมากเ็าบอกมีปัญหาอะไรเงี้ยมากไปนั่นเป็นคนพิการนะดูพระลหันสมัยพุทธกาลนะบางองค์เจอท้องร่องกระโดดเลยอนะย่งางพระสารีบุญไม่มาย่องย่องเลยนะกระโดดเลยง้นพวกเรานะภาคเพียร น, น ะ, จะเจริญวิปัสนา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 ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหูนะดั้วเราเบื้องต้นเนี่ยทำกรรมฐานสักอันหนึง่งนะยกตัวอย่างเลยสมม่าเราดูท้องผ่องยบวิธีดูท้องผ่องยุบที่ถูกเนี่ยไม่ใช่เพ่งท้องไม่ได้กําหนดไปเรื่อยๆนะว่าผ่องอย่างนั้นยุบอย่างนี้อันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าเมื่อไหร่ยังเจือด้วยการคิดนะเมื่อ น, น, นั้นไม่ขึ้นมีปัจสนานะ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 นะแล้วก็เห็นไปร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูตัวใจเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้หลงนะนี่ดูไปเรื่อยแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวรู้วนจะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนะจิตที่หายจิต ท, ที่อะไรโกรธใช่ไหมอยู่ช่วคราวแล้วก็หายจิตที่โลภอยู่ช่วคราวแล้วก็หายนะ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 เราจะดูความจริงของเขาได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นะค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเงนี้ใจก็จะตั้งนะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดู <c ười> ค่อยๆฝึกไปมันมีใจที่เป็นคนดูขึ้นมาฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นในสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีสภาวะใดๆเกิดแล้วไม่ดับ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 กระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายความรู้สึกก็เปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันกระทบทางใจใจคิดเรื่องนี้มีความสุขใจคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เราก็รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างคิดเรื่องนี้ดีใจคิดทึกเรื่องนี้เสียใจคิดถึงคนนี้รักขึ้นมารู้ว่ารักคิดถึงคนนี้กโกรธรู้ว่ากโกรธนะให้รู้ทันใจของตัวเองหลวงพ่อเคยมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแกเป็นคนจีนอะ่ะหลวงพ่อก็มีเป็นลูกครึ่งนะ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 เพาชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมด า, านี้แหละนานๆจะมาเข้าวัดนานๆจะมาเข้าคอ ส, สักครั้งหนึ่งจะไปรอทําตอนเข้าวัดเข้าคอสจะไม่ได้กลินหรอกถ้าอยู่กับโลกไม่เคยเจริญสติพอมาเข้าวัดเข้าคอสนะเพ่งทุก ร, รายอ่ะเราอยากดีก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งสุดท้ายก็เป็อย่างนี้นี่นะเพ่งมากๆบางคนก็อย่างนี้บางคนก็อ๋อเคยเห็นไหมมันเพี้ยนไปหมดเลยนะ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 โยมยมต้องเพิ่มนั่งสมาธิหรือเป็นแบบรูปแบบนิ่ง <นะ S 2> ไหมคะไหา ง, งานบ้านทำไว้ดีกว่าวาดเี่ว่าพุทธก็ได้อลองเปลี่ยนบ้างสิลองจัดคอร์สพิเศษนะทำความสะอาดแทนที่จะมาเดินแล้วเพ่งเพงซุง่มๆุมนะเคลื่อนไหวไปหา ง, งานทำพ่ออ้าวต่อไปมัสการหลงพ่อครับจริงๆผมเขียนหนูเรื่องไว้หลายอันแต่ว่าได้ฟังงพ่อพูดแล้วก็เข้าใจหมด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 ให้รู้ทันจิตหลงไปคิดก็รู้<อ>ทันทออตอนยิน่งังเผลอเข้ไปเออตอนเผลอเข้ไปก็รู้ทันหายใจไปแล้วใจเผลอรู้ใจก็เผลออีกก็รู้อีกนะอ ah, ะต่อไปมีไหมหมดหรือยังสักก <c oughs> ารหลวงพ่อครับปฏิบัติมาหกเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาวะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างดังๆเนี่ยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึครับสงการบ้านครั้งแรกนะครับปฏิบัติมาหกเดือนนะครับ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 ไปที่เขานะแล้วก็จิตกําลังกรงแต่งคือบอกตัวเองนี้ก็คือถูกใช่ไหมคะไม่ถูกอะแต่ว่ามันอดบอกไม่ได้ <c oughs> <ฮะ>ที่จริงไม่ต้องพูดแต่ว่าจิตมันเคยชินที่จะพูดต้องฝึกหลายปีเลยกว่าจะรู้โดยไม่พูดอืมค่ะนะรู้แล้วไม่คิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะงั้นเรานั่งคิดไปเรื่อยไม่ใช่อะแต่เบื้องต้นมันต้องคิดก่อนอ๋อค่ะก็คือถือเป็นจุดเริ่มต้นนะ ฝึก <K an> นานนักกว่าจิตจะรู้โดยไม่คิดเนี่ยรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ปรุงต่อค่ะขอบคุณค่ะ <K an> มรรการค่ะออบางครั้งรู้สึกสับสนว่าปฏิบัติแนวทางไหนจะเหมาะกับตัวเองเหมาะกับจริ ต, ตโดยนิสัยนะโดยจริตเนี่ยนะขี้มโมโหโดยธรรมชาติของเราขี้โมโห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 เบื้องต้นก่อนที่จะเจริญสติในชีวิตประจาวันด้วยสติอัตโนมัติได้เนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยนแต่ถ้าตั้งใจดูจนเครียดเนี่ยให้รู้ทันเนาะค่อยๆ ค, คลายดูสบายๆไปแต่เบื้องต้ น, นต้องจงใจไว้ก่อนพุณหลวงพ่อครับไม่ไม่จงใจเลยหมามันก็บรรลุ ด, ด้วยเนาะหมาก็ไม่ได้ทำอะไรวันวันหนึ่ง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 แล้วอย่างอยงผมที่หลวงพ่อให้ไปฝึกแก้ไขมาตอนนี้ถือว่าก้ดีขึ้นแล้วะแล้วแล้วถือว่าตื่นและตั้งมั่นแล้วบ้างแล้วอะไรนะมีความตื่นกละตั้งมั่นอยู่บ้างแล้วไหมครับไม่ค่อยได้ยินคําถามเนี้ยมีความตื่นและตั้งมั่นอยู่บ้างครับเกรงใจจังเล ย, ยครับอย่างนั้นอย่างนั้นภาพอย่างนั้นควรจะดูกายเลยดูจิตดีโดยจิตได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วจิดมันตื่นแล้วละมันก็ตื่นแต่ตอนเนี้ยมันไม่ตั้งมั่นมันตื่นเต้น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 กลาบนมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งมากราบแล้วก็ได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เอ่อก็ทําตามมาเรื่อยๆะคะ่ะมันก็จะมีบางครั้งบ้างที่แบบอาบน้ําแปงงลงฝันรู้ๆไปแล้วมันก็แบบนี่มันใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วไม่ใช่อัลไซเมอร์นะแต่ว่ามันก็แป๊บเดียวนะคะค่นแล้วมันก็ผ่านไม่ใช่<ป>เราเหรอก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 อขอยไยม่หม่หอีก <c oughs> คือนิดเดียวค่ะก็ ค, ะคือว่าวันนี้ได้พาคุณพอ่ณอคุณแม่มาเป็นครั้งแรกแล้วท่านก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็อยากให้หลวพ่อได้โปรดเมตตาให้ทำอะไหนล่ ะ, ะพ่อแม่ยกมือให้ดูหน่อยพ่อแม่นี้เป็นไหนนอนอยู่ตรงโ น, โน้นนะคะแต่ก็ได้เอาซีดีให้ท่านฟังอเอาซีดีให้หลวงพ่อของหลวงพ่อไปให้ฟังนะแล้วให้ดูความรู้สึกแต่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 ทำในแนวพองยุบหนอนะพองหนอยุบหนอมันนานนะคะพองยุบสี่ไม่ใช่พองหนอยุบหนอเจ้ค่ะพอมาฟังหลวงพ่อสอนแล้วก็ซีดีก็รู้สึกชอบนะเจ้าคะแล้วก็อยากปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะทีนี้โยมควรจะทํายังไงเริ่มปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะโยมดูไปสินะร่างกายที่มันพองยุบเนี่ยนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันอยู่ต่างหากนะจิตมันเป็นแค่คนดูแต่ว่าระวังอย่าไปเพ่งใส่ท้อง ถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่ใจจะนิ่งๆใจจะแน่นๆใจจะแข็งๆถ้านิ่งๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมานะเลิกก่อนแสดงว่าเพ่งไวมากไปยังติดเพ่งอยู่นะแค่เห็นร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมค่ะใจติดเพ่งอ่ะยังติดอยู่ค่อยๆคลายออกเล้วดูไปตามธรรมชาตินะไปหางานบ้านทํำนากวาดบ้านถูบ้านเลยนะเคลื่อนไหวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูดูไปสบายๆ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 ก็ธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยตามองเห็นความรู้สึกมันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันใจคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่ดูจิตก็เห็นร่างกายนี่หายใจใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างเนี้ยกลาวนมาสการอาจารย์ค่ะเออช่วงนี้จะโกรธบ่อยนะคะแต่เวลาโกรธแล้วมันโกรธแรงๆแล้วทาจิตเป็นกลางไม่เป็นนะคะไม่ทาไม่ทา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 คืออย่างโยมควรจะดูกายหรือจะดูจิตดีกว่าคดูอะไรก็ได้นะมันผสมผสานดูได้สองอย่างค่ะเจ้าในวัฒ ก, การหลวงพ่อครับอ่าคือปัจจุบันผมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อป๋ามูด้วยแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะครับก็คิดว่าเริ่มมีสติ ข, ขึ้นมาบ้างนะครับอย่างบางทีอย่างบางทีนอนตอนกลางคืนเงี้ยอก็เห็นว่าอ๋อเราอยากนอนนะแต่ว่าอยู่ๆจิตมันก็ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเองอยู่ๆก็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 แล้วมีอะไรแ น, นะแนาในการปฏิบิแล้วนะโอเคครับขอบคุณครับไม่ใช่จงใจนะคือถ้ายัางเจือด้วยความจงใจมีโลภะเจตนาโลภะเจตนาเป็นเจตนาทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนาทำให้เกิดการกระทากรรมกรรมอะไร <c oughs> กรรมตัวนี้ก็คือเราไปเพ่งจิตให้นิง่งกลายเป็นนิ่งไปหมดรู้สึกไหมถ้าจงใจมาดูแล้วมันจะนิง่ง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 อ๋อท่พักก็พอที่หลวงพอ่อเทศว่าเราพยักหน้าสุดเราผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วแต่ว่าช่วงเพ่งนี่ยค่ะคือปัญหาเวลานั่งทําสมาธิค่ะสึกว่าจิตจะไม่ค่อยสงบ<ม>ก็แพทย์พยายามคิดว่ามีลูกแก้วอที่มือพยายามให้ลอยจุดถึงหน้าผากแล้วถึกว่าสงบขึ้นไม่มมทราบว่าที่ทําเนี่ยถูกหรือผิดคะอยากให้หลวงพ่อแนะนําถูกสมถะนะหลักของสมถะเนี่ยให้เรารู้อารมณ์อันเดียวอย่างสบายสบายไ รู้อย่างต่อเนื่องแต่รู้อย่างสบาย <Okay. S 2> อย่างบางคนพุดโธแล้วมีความสุขพอมีความสุขเนื่งความสุขเป็นเหตุไล่ให้เกิดความสงบนะ <Okay. S 2> บางคนหายใจแล้วมีความสุขหายใจไปเรื่อยๆจิตก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตก็สงบได้สมถะได้สมถะใช่ก็ดีพอควรมักน้อยจั <laughs> ชาตินี้เอาแต่สมถะเออ <laughs> ต้องทำวิปัสสนา สมถาเอาไว้ชาติไหนไม่เจอศาสนาพุทธเราค่อยหัดต่อค่ะนะวิปัสสน า, นามาคอยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานโดยอย่างนี้ไร้ได้ค่ ะ, ะ<อ>คนคสุดท้ายมีไหมหมดหรือยังเวลา่ะโอ้ตรงเวลาเป๊ะเลย3โมง